บันทึกความจำวันนี้ที่ยี่สิบสามงหาคมสอง5ันห้ารอยสิห้าแต่ก็จะพูดถึงเรื่องวันที่ยี่สิบสองหาคมสอ3 5รอยสิห้า <c oughs> เป็นการบันทึกความจำถึงแม้ว่าเสียงจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรพอฟังรู้เรื่องก็ใช้ได้ เมื่อวันที่2สิงหาคม2 5ภ5วันนั้นเหนื่อยมากเพราะตอนเช้าต้องบันทึกเสียงต้องทำธนานัต ด, ด้วยต้องบันทึกเสียงด้วยบันทึกเสียงไปหนึ่ชั่วโมงก็เหนื่อยเพราะ่างกายไม่ดีแต่พอไอ้ไปตอนพักผ่อนนิดหน่อย แล้วก็มีความรู้สึกว่างานที่จะต้องทำมีอยู่หรือไม่หลังจากนั้นว่าคิดเรื่องงานเสร็จก็เริ่มจับอนาปานุ้องสติกรรมาฐานตั้งอารมณ์ไม่สบายเพราะจับอนาปานุสติผนรมให้ใจเข้าไม่ทันจะให้ใจออกจิตก็เริ่มเรียบเมื่อจิตเริ่มเรียบแล้วก็ได้ยินเสียง ว่าวันนี้ก่อนที่ไปสวรรค์ให้ไปสนักงานผมก่อนท่านเป็นเสียงของพยายมก็หันไปตามเสียงท่านพยายมกับนายบัญชีท่านมาทั้งสององค์ตะวันมอวันที่จิ๊สองนีแปลกท่านมาในรูปเครื่องทรงเต็มยศมีเส ด, ดามีรองเท้ามีตรีเิษย แพร่ภาพเป็นยักษ์สวงามมากพถามท่านว่าจะมีเรื่องอะไรดร้วยท่านบอกว่าไปเขาแล้วกัน <c oughs> ไปที่ น, นแล้วจะรู้เองว่ามีเรื่องอะไรก็ตัดสิ้นใจตัวไปตามท่านพอจะก้าวเดินเครื่องแต่งกายเก่าก็หายไปก็มีเครื่องแต่งกายใหม่เข้ามาสวม เป็นเครื่องแต่งกายชุดสีขาวผพชก็สีขาวขาวล่วนหมดแถวพราบยัพก็เดินตามท่านปัญญ ย, ายามก็ทำนายบัญชีไป <c oughs> เมื่อใกล้จะถึงวิมานของท่านก็ปรากฏว่ามีเทวดาดยืนสองแถวคอยรับเห็นจะรับปัญญ ย, ายามกลำลชีมากกว่าก็จะเป็นนาย เทวดาทั้งหมดวันนี้ก็ไม่มีใครแต่งตัวเครื่องทํางานเพียงการแต่งตัวเต็มยศหมดขั้นเดินฝ่าฝันก็นับเทวดาไปแล้วมองเห็น้าหน้าเป็นโรงพิธีใหญ่ความจริงที่นั่นเป็นในบริเวณห้ยห ม, มายประยายมเป็นโรงพิธีใหญ่สวยสดงดงามมากเป็นสีทองสีทองมผสมแก้วกว้างขวางมาก แล้วก็มีแท่งแก้วประสมทองตั้งอยู่กลางแล้วก็มีเขาอี้แก้วประสมทองตั้งอยู่เรียงรายก็รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของเราก็นั่งอยู่ที่เขาอี้ทองเขาเขา อ, อ, อี้ทองประสมแก้วนี่เมื่อพระยายยมท่านนั่งในมินชีนั่งแล้วก็ถามว่าไม่เห็นนี่อะไรนี่ ทนม่ใชห้องว่างๆท่านอะไรบอกว่าท่านอะไบอกว่าวัเดี๋ยวก็มีพอท่านพูดจบก็ปรากฏมีเทวดามาฟ้ามาเกินกว่าแสงคนทีรู้ว่าเกินกว่แสงคนก็ญาญมท่านบอกญายมก็ใาบัญชีจะบอกว่าวันนี้เทวดากับนางฟ้ามาเกินกว่แสงคน แต่งตัวชุดสีขาวล้วนสีขาวมาาไม่ใช่ผ้าเป็นแก้วแก้วขาวมานั่งอยู่เบน้าก็แปลกใจว่าเรื่องที่พระเจ้าจ ะ, จะประธมเจวดาก็ปรากฏว่ามีอยู่แล้วที่เทวเทวสภาแต่ว่าที่นั่นมีการแต่งตัวหลากสีตามบุญบารมีของตน แต่ว่าที่นี่เทวดาเป็นสีเดียวกันหมดเป็นสีขาวหมดคงคิดในใจว่าเทวดาพวกนี้คงจะเป็นเทวดาชั้นยามาเพราะนึกเท่านี้ธรรมญาญมต้องบอกว่าใช่เป็นเทวดาชั้นยามาเป็นชั้นที่จะมาเป็นกุศลต่อถ้าถามว่าเทวดาจะมาทําไมท่านจะมองไปที่เทวดา ก็มีเทวดาองค์หนึ่งมาบอกว่าผมเพิ่งเกิดใหม่ครับเพิ่งเป็นเทวดาใหม่ๆหม่เพิ่งเกิดวันนี้เองเพิ่งเกิดพร้อมกันสามองค์้นอกจากนั้นก็เป็นเทวดารุ่นเก่าก็ถึงว่าเทวดาพวกนี้มาจากไหนบ้างก็มีเทวดาหลายท่านพะผมกับฉัน เคยเกิดเป็นสุ น, นักของท่านเทวท่าทรงทวัตถบานแล้วก็พัดพัฒโพตังนั้นว่าเทวดาสุ น, นัขขอโทษสุนังที่ไปเกิดเป็นเทวดามองดูแล้วเกินกว่รอยองค์ที่แปลหมาที่ตายไปแล้วนะเขาเกิดเป็นเทวดาก็แต่งตัวที่ทุกขารุวน เต็งแปงสวยสดทุงามมากก็ถามเทวดาวนั้นว่าท่านมีความต้องการอะไรเทวดาวใหม่เทวดาใหม่ก็บอกว่าผมอยากจะให้ท่านบวชพระให้ผมส่งตังองก็าถามว่าบวชเพราะทำไมผมต้องการอันนี้สมบูรร่าครับก็าถามว่าในสมัยที่มีชีวิตอยู่เป็นคนทําไมจึงไม่บวช แกก็ถามว่าหาเวลาบวชไม่ได้มันไม่ว่างแกก็ถามว่ามาเป็นนับมาเป็นเทวดาได้ยังไงทำยังไงถึงเกิดบสนสวรรค์ไดในเมื่อไม่บวชแกก็แต่ว่าสายบุญเล็กน้อยผมเป็นคนมีกําลังใจไม่แน่นอนการภาวนาก็ไม่แน่นอนการบูชาพระก็ไม่แน่นอน หมาความบูชาพระไม่เนี่ยน้อไหมาความว่าไม่เป็นเวลาเฉพาะถ้านึกขึ้นมาเมื่อไรก็บูชาพระเมื่อ น, นั้นเวลาภาวนาก็เช่นเดียวกันเวลาภาวนาภาวนาไปจิตเป็นพุ่งสร้างก็เลิกทําบ้างไม่จะทําบ้างมาทํากันจริงจังตอนป่วยใกล้ลจะตายที่ตอนป่วยครั้งนี้พาะขออันดับแรกมีการอืดเสียดที่ท้อง ล้วก็เจ็บที่คอคือนน้ำก็เจ็บคืนข้าวก็เจ็บในเมื่อมันเจ็บก็ต้องทนคืนกินนึกในใจว่าการเกิดเป็นคนมันเป็นทุกข์อย่างนี้ทางที่ดีล้วคนรหาความไม่เป็นคนก็เป็นนักพินินผพานตั้งใจภาวนาว่าพทุทโธ เคยอ่านหนันสือประวัติวพบอปานนี้สังเขียนให้ใช้คำมนาพุทโธตอนนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่อยู่ที่ทิสจาภานาไปภานาไปโรคก็ค่เริ่มขึ้นในที่สุดก็ตายพอตายมาแล้วก็ปรากฏว่ามีวิมานสวยเครื่องแต่งกายสวยทัศมีสวย แต่ว่าสามีก็ดีวิมานก็ดีเค้ื่งแต่งกายก็ดีสวยสู้คนที่เเคยทำบุญบวพระไม่ได้ก็ถามว่าในชีวิตนึ่งที่คนเขาบวชพระไม่มีใครมาบอกบุญบ้างหรือเธอก็บอกว่ามีแต่ว่าไม่ไตั้งใจทำบุญชัดทำไปตามที่เขาขอมา เขาขอมาก็ให้ไปบาทบางสองบาทบ้างสิ บ, บาทบางยี่สิ บ, บาทบ้างสักแต่ว่าให้ไม่ได้ตั้งใจทำบุญฉะนั้นรัศมีกายของผมก็ดีเร่างกายก็ดีนิบายก็ดีจึงช่วยสดช่วยงามไม่เท่าคนที่เคยเมติสงบทพระผมอยากแจ้งั่าใจการบทรพระของพระองค์หนึ่งก็เลยไม่ได้ เวลาเป็นคนทำไมไม่นึกถึงความดีความดีมีเยอะเขาบวชพระแต่งของคนก็ตัง้ตงใจทำบุญทำไปอย่างนั้นมันเสียเปล่าไม่เกิดประโยชน์ไม่มีศรัทธาทาไมที่ไม่ตัดสินใจว่าเขาบวชพระมันได้บุญเราไม่มีโอกาสจะบวชเราก็ร่วมบวชกับเขาให้ตั้งให้ตัง้งใจเป็นอษฐที่ไม่ได้คิดยาง การทำเพื่อเป็นการเสียไม่ได้จใจฉันช่วยฉันไม่ช่วยรอเพราะเป็นเทวดาแล้วก็พอแล้ววเวลาที่พราก็จะเจ้าเทพทําไมจะไม่ฟังพญายมบอกว่าเทวดาองค์นี้เพิ่งเกิดวันนี้ครับเพิ่งจะเกิดมาวันนี้ไปมิมาแล้วก็มาที่นี่ถามว่าอีกสององค์มีความต้องการอะไร ที่สององค์ก็ตอบ ว, ว่าต้องการเหมือนกันครับแต่ไม่อยากขอทำ่าทำไมจึงไม่อยากขอคงคิดว่าขอท่านก็ไม่ให้จะได้บอกว่าฉันจะให้ทำไมความจริงเมื่อสมัยที่เป็นคนเขาก็บอกแล้วว่าทำบุญอย่างนั้นทำบุญอย่างนี้มีสแบบมสแบบนัานมีสมแบบนี้แต่พวกเราไม่เอาไม่เอาคัน จึงหันไปถานเทวดาทั้งสององค์ว่าก่อนจะตายในสมัยที่เป็นมนุษย์ทําบุญอะไรไว้จึงมาเป็นเทวดาที่นี่ท่านก็บอกว่าบุญที่ผมทำมันมีหลายอย่างแต่ว่ามันเป็นบุญผือเผิลเช่นหนึ่งการให้ทานก็ให้ก็ให้แบบเทวดาองค์ก่อนนั่นแหละเขาทานมาก็ให้แบบเสียไม่ได้ เขาทำบุญเท่ากฐินพระประปาบุตรพระมาบอกบุญก็ทำมาเพื่อเสียไม่ได้แล้วต่อมาในวันพระเขาไปไวัดกันเขาไปกับเขาไปทำบัพเวณีถ้าให้สินก็รับแต่ว่าไม่ได้รักษาสินกลับมาบ้านก็ทำบาป ท, ทำเดิมวันดีไม่ละวันพระบางทีก็ไม่ไปเว้น ก็จดเขรเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นส ก, การยนีนี้มันควรจะไปนรกทำไมถามาึงได้มาเป็นเจวาดาก็บอกว่าผมอ่านหนังสือประวัติของพวกปานที่ใ่้เขียนแต่ว่าผมไม่เคยรู้จกจกจ็กจากตัวท่านะมานขอร้องพญาโยมบอกอยาจกจะรู้จักตัวถาว่าบ้านอยู่ที่ไหน เขาบอกก็ตอบว่า บ, บ้านอยู่ใกล้เชียงตุงใกล้เชียงตุงนี่มันเลยเชียงรายไปเําเดิมมีอาชีพอะไรก็บอกว่ามีอาชีพทุกอย่างแม้จะขายผิงก็ขายเฮโรอีนก็ขายแต่รักบัวรักพายไม่เป็นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่จิตก็มีกุศลอยู่บ้างมีพระท่านไปดูดวง สั้งการแนะนำให้ใช้คำวานาเพราะไม่ต้องลงทุนมากเพราะการลงทุนผมไม่ชอบทุนไม่ค่อยมีด้วยท้งก็ไม่อยากจะให้ใครเพราะทรัพย์สินหาได้ยากถ้าใช้การเป็นคว า, าวนาแล้วบูชาพระไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนผมก็เลยใช้วิธีบูชาพระกับค า, าวนาเป็นปกติถ้าใช้เวลาไม่นานนัก คั้งหนึ่งทั้งเก้านาทีสิบนาทีก็เลิกจิตก็สงบบ้างไม่สงบบ้างเป็นนวาการปฏิบัติจิตไม่เข้าถึงฌานแค่อุปจาระสมาธิแต่ก็อารมณ์แน่นอนไม่ได้บางครั้งก็ถึงบางครั้งก็ไม่ถึงบางวันก็ทํามาไว้ก็ไว้ทำไม่แน่นอนนักนี่พอตายมาก่อนที่จะตาย อาการที่ผมแปลงคือว่าแปลงอาการในต้นทรงอกเป็นโรคในทรงอกคือเป็นุฝีในท้องุฝีที่กอดเขาเรียกว่าวันโรคเมื่อวันโรควันถามหามันว่าพบมันก็จักกินกินยาสมุนไพรมันก็ไม่หายให้หมอฉีดยาก็ฉีดไม่ได้มาก เพราะกระตังไม่มีมองเข้าเงินก็ต้องทนทุกข์ทรมานมานานหลายปีแต่ว่าจะโรคนี้มันดีอย่างหนึ่งคืออารมณ์มันมันมันไม่รบกวนอา ร, รมณ์มันไม่มีทุกเวทนามากเป็นจะเพียงว่ากําลังกายไม่ดีแล้วก็สั่นทรงตัวไม่ดีแต่ว่าจิตใจดี เดินไปนไหนก็คร่องมันก็ไม่อยเลยไม่เป็นที่สังเกตของคนถ้าถามว่าเวลายจะตายอาการเป็นยังไงเห็นแล้วไอ้ ว, วันที่แล้วขณะที่ป่วยอยู่นั่นผมก็ภาวนาเรื่อยๆภาวนาว่าพุโทพโธพทธอยากจะไปหาท่านที่วัดท่าสงก็ไม่มีกระจำไปเลยใช่หนังสือประวัติของพระปา น, ท, ปานที่หลานชายไปเรียนที่กรุงเทพ ไปซื้อมาปรจากบ้านจะบำมเสริมทั้งซื้อเล่มอื่นอั น, อนก็ไม่ชอบใจชอบใจในั้ซื้อประวัติของก็ผ่านเห็นว่าท่านเที่ยวสวรรค์ก็ได้นรกก็ได้เป็นต้นก็อยากจะเที่ยวบ้างก็เป็นอไว่าไม่มีโอกาสจะเที่ยวเพราะสมาธิไม่ทรงตัวมากนักถ้าเวลาป่วยนี้รู้สึกว่าขยันภาวนานหน่อยเอง ทำครั้งหนึ่งก็เพียงห้าหนาทีสิบนาทีจะไม่ถึงบ้างในที่สุดวันจะตายอาการใหม่มันเกิดขึ้นนั่นคืออาเจียนเป็นโลหิตอาเจียนอามาเป็นกระถนกระถ น, น, ถนสองกระถนกว่าหมดแรงหมดแรงก็นอนใจสัน่นเลกๆๆๆลลูกกับเมียาญาติ พ, พี่น้องคนข้างบ้านใครย่างเพีย ง, งเข้ามาดูกัน เขาก็ถนเลือดไปจั้งไว้ทุกคนมองเห็นก็น่าเสียคิดว่าครานี้คงจะตายแน่หมอก็ไม่มีมีหมอไม่กันแต่แต่สตังไม่มีเพราะว่าแถวนั้นมีแพทยศาสตร์พานิชมากแพทยศาสตร์เมตตาบารมีนี่าน้อยก็เลยต้องทนกินยาสมุนไพรนั้นก็ไม่ถูก ในสุดภาวนาไปภาวนาไปก่อนจะตายเห็นพระเห็นภาพพระพุทธรูปลอยอยู่ข้างหน้าก็ดีใจว่าเราเห็นพระหลังจากนั้นจิตก็หลุดจากร่างกายที่ตอนจิตหลุดนี่บรรดาท่านท่านทั้งหลายตอนนั้นทุกเวทนามันจะบรรเทามันจะไม่มีทุกเวทนาเลยจิตมีความรู้สึกเป็นสุขร่างกายก็เป็นสุก อาการป่วยต่างๆไม่ปรากฏอาการมันมีแต่ว่าไม่ปรากฏ้ น, นด้จิตใจจิตจิตสงบภาวานาไปภาวานาไปแต่จิตไม่ถึงฌานก็ตายอีตอนตายที่ท่านผมไม่รู้สึกตักวาตายแล้วก็ไม่รู้ออกมาจากร่างกายเมื่อไหร่มันรู้สึกต่เมื่อมายืนอยู่ข้างนอกแล้ว เห็นร่างกายที่นอนแบบอู่ร่างกายสร้อมเห็นเลือดในกระถนสองกรถนเสร็จก็ยืนมองหนูทิดว่าร่างกายนี่แสนจะสกปรกเราอยู่กับมันได้ยังไงตั้งหกสิบปีเสร็จเราทนทุกเวรนาอยู่กับร่างกายหกสิบปีเสร็จร่างกายก็เต็มไปด้วยความสกปรกสโสโครก มันมีน้ำเลืดน้ำเหืองน้ำหนองไม่อยากจะเข้าไปอีกพอดูร่างกายใหม่ก็รู้สึกมีร่างกายเบาทั้งตัวสวยมีแก้วประดับสวยแ ก, กว้วขาวเป็นเพชขาวทั้งหมดเสื้อเสื้อผ้าขาวเขาหยาบ ก, กายก็ขเขาขยับตัวก็เบาก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปที่ใดที่หนึ่งที่เราควรจะไปได้ ก็ปรากฏว่าเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาอยู่ชั้นยามาชั้นยา마นี่แต่ตัวชุดสีขาวหมดก็เข้าวนาวิมานเรียบร้อยแล้วก็ลังดูที่ประสมบัติเห็นบริวารก็มากที่ปัจสมบัติก็มากสวยโสดสง่ามือใบขาวสวยมีบริเวณกว้างนั่งนึกถึงความเป็นมนุษย์ คือว่าสมัยที่เราเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ประมาทเราจะดีกว่า น, นี้ถ้าว่าในขนาดเดียวกันก็ไม่เสียงบอกว่าเวลานิพพยายมกับนายบัญชีสั่งจัดวิมานเป็นพิเศษ mm hmm. เพื่อรอรับเทวดาใหม่วันนี้ท่านจะไปไปนิมนต์ฤๅษีจึงดำมาถ้าเขินไปชาจะไม่ทัน ถ้าว่าตามปกติฤที่ยังดำไม่จะไปเทวสภาเสมอทุกวันเมื่อฟังข่าวว่าฤที่ยังดำก็ดีใจว่าเราไม่เคยเห็นตัวท่านไม่เคยรู้จักหน้าท่านเห็นแต่น้องสือของพ่อปานอ่านแล้วก็ชอบอกชอบใจมากจึงได้ออกจากวิมานตรงมาที่นี่ขอรับ คำถามองค์หนึ่งถามว่าต้องการอะไรหรือองค์ที่สามองค์ที่สามบอกว่าผมต้องการเหมือนกันแต่ไม่อยากบอกบอแล้วท่านก็ไม่ทาให้เจ้าหันมาถามองค์ที่สองบว่าเมื่อกี้ท่นไม่อยากบอกจะบอกได้จะไม่ทำหรอกบอกก็ไม่ทําให้เพราะเพราะเจ้าปฏิเสธอยูแล้วเขาทุกวันพระเจ้าจำไประเทศทุเลาทิพย์เทวสภา อยากจะได้องค์ที่สามุงค์อยากจะได้สังฆทานพระสังฆปริมาณใกล้ๆเขาถวายสังฆทานเป็นปกติที่ท่านไปสอยแสงลมบังว่าถวายที่วัดตังปริมาณของเขาใหญ่มากแล้วก็สวยมากแสงเขาปรหมาณแสงสว่างมากตัวเขาก็มีเครื่องประดับสวยแสงสว่างก็มากมากระผมเยอะ ผขาไม่อยากจะให้ท่านถวายสังฆทานให้ก็าเลยบอกว่าฉันไม่ทำหรอกเพื่อเป็นมนุษย์รู้อยู่แล้วว่าอะไรมันดีไม่ดีทําไมจะไม่ทําแ่ก็ตอบ ว, ว่าผมเป็นคนจนครับเขาบอกคนจนทําไมจะถวายสังฆฐานไม่ได้ถ้าเราไม่มีเงินเท่าข้าวเท่าสวยเท่านึ่งทศปีไม่มีกับข้าวเกลือกับข้ า, ข า, ขาก้อนหนึ่งเพื่อเป็นกลับกิน อารถวายใหมู่คมพระไม่ต้องมาตั้งท่าถวายไหวานอีมานี่มาอย่างมันเตยไม่ต้องว่าอะไรทั้งหมดเอาไปถวายพระที่วัดพระพระจะมีเกินสี่องค์ถ้าตั้งแต่สี่องค์ไปเขาถือเป็นสังฆทานเท่านี้มันก็เป็นสังฆทานถ้าทําไมต้องรองเงินมากๆแ่ก็บอกว่าทายกเขาอยู่ข้างบ้านเขาแนะนํา ข้าถาวายสังฆทานต้องมีพระเป็นตัวพระองค์สองเถากับข้าวหนึ่งเทาแล้วก็ขนมอีกหนึ่งเทาข้าสู่อีกหนึ่งกระมังให้นิมนต์พระมาห้าองค์ขึ้นไปจึงจะเป็นสังฆทานนี่ผมพบทายก ง, ง้อแบบนี้ผมก็เลย ง, ง่อกับทายก ง, ง้อกับทายก เป็นะว่าการถวายสังฆทานเนี้่าตอนไม่ต้องใช้มากใช่ไหมพระพุท บ, บอกก็ได้บอกว่าไม่ต้องใช้มากถ้ามีน้อยทําน้อยถ้ามีเงินหนึ่งสตงัก็ข้าพเจในวัด บ, บอกผค่อ ย, ยขอถวายเป็นสังฆทานครับเงินหนึ่งสตังนี่เท่านั้นก็จะมีอน า, านิสงส์สังฆทานแกก็บอกว่าน่าเสียดายเคยถามว่าพระพุทธเจ้าคือประเทศสิทธิวัฒนภาถ้าทําไมจังไม่ฟัง พยาเโยบอกว่าเทวดาองค์นี้เพิ่งเกิดเหมือนกันครับเพิ่งเกิดวันนี้เท่าหมดสามองค์ที่มองไปดูเทวดาข้างหลังให้ขาวเพิ่มเต็มไปหมดเป็นเทวดารุ่นเก่าบ้างรุ่นใหม่บ้างแต่ว่าทุกองค์ผ่านสำนักพระพุทธเจ้ามาแล้วเคยไปเทีวเคยไปเที่ยวที่ผ่านมาแล้วก็ถามว่าท่านทั้งหลาย ต้องการอะไรบ้างมีไหมใครต้องการอะไรยกมือขึ้นได้บอกมาพุกองค์ก็พนมมือบอกก็เต็มแล้วครับฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเต็มแล้วพระเจ้าเทศฟังง่ายพอใจง่ายปฏิบัติง่ายผมทําได้ทุกอย่างครับเทวาดาสามองค์ก็บอกว่าผม ก, ก็อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าบ้างทำามาจะได้เห็น ก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องของท่านฉันบังคับท่านไม่ได้ฉะนั้นในเมื่อพูดตรงนี้ก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าโอสถทั้งมาประทับที่พระท่านสูงให้หันไปกราบท่า น, ท, านทุกค น, ค, น ค, นคนก็กราบเมื่อกลาบท่านเสด็จบอกว่าเทวดาทั้งหลายท้ า, าคามาในพญาเทศสงเคราะห์ เทวดารุ่นเก่าที่ฟังเทศไปแ ล, ล้วรู้สึกดีมีสภาพพร ะ, ะดีมากเวลานี้มีเครื่องปรดับสวยกว่าเดิมพรัตนมีกายสว่างกว่าเดิมก็มีเทวดาใหม่เพียงแค่สามองค์ที่เครื่องเครื่องรัตนมิกายไม่เท่าเขาเครื่องปรดับไม่ไม่สดวยเท่าเขาเพิ่งเกิดใหม่ฉะ น, นทั้งเต่าและใหม่จงฟังเทศ ให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายการเป็นเทวดาการไปนนำข้าบนสวรรค์ไม่เป็นตลอดการตลอดสมัยก็ต้องมีตายไปที่สุดน่นนรกถ้าอยู่ใกล้เราเห็นนรกไหมทุกองค์เห็นจะเรียว่าทุกองค์ยังมีบาปถ้าว่าเทวดารุ่นเก่าที่ฟางเทพไปแล้วตัดบาปได้แล้ว มีกำลังเหนือบาปแต่สามองค์นั้นยังมีกำลังไม่เหลือให้ตั้งใจคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามอย่างนึกไว้อย่าให้ขาดว่าเรามีความเคารพและการต่อไปตั้งใจรักษาศีลแล้วก็โน่นนิพพานถ้าชี่ขึ้นข้างบนเห็นสภาพวัธิพานสแจ๋วเห็นชัดเจนหมด ใครนั่งอยู่เคยเดินอยู่เคยทำอะไรอยู่เห็นหมดทิฏฐิพันธ์ไม่ไดที่มีความสุขมีวิมานอยู่องละองควิมานหนึ่งหลังหัึงวิมานครับพระพระพาสหันองไม่ปนขันถ้าต้องการปฏิพันธ์ให้ตัดสินใจแบบนี้ว่าการเกิดปรมนุษย์มันเป็นทุกข์ก่อนที่จะตายเราก็ทุกข์ขณะที่มีร่างกายดีอยู่เราก็ทุกข์กับการงาน เราไม่ต้องการมนุษย์เป็นเทวดาก็ดีจริงแหละแต่ว่ามันดีไม่ได้นานไม่ชาติหมดบรุรวะาสนาบารมีเราไม่ต้องการอีกเราต้องการพระิพานทุกเดียวทำใจได้ไหมเทวดาทั้งามองค์บอกว่าทำใจได้แล้วขอรับดีใจเหลือเกินที่มาพบพระพุทธเจ้าล้าราบลงสามครั้ง เพราะนั้นว่ามาถึงเวลาพระเจ้ากวลาขับอาตมาก็กลับพรายาโยก็เข้ากี่พักเทวดาทั้งหมดก็กลับกลับหรือไม่กลับก็ต้องกลับ่อเวลามันหมดธรรมดายาโยวัตบริษัทท่านผู้ฟังแลงท่านผู้อ่านที่เป็นการบันทึกความจำจำไม่ได้แล้วก็บันทึกไว้เพื่อวันน้าเพใครก็ต้องการจะใช้ก็ใช้ได้ ถ้าว่าเสียงจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรพู้ฟังได้เรื่องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพัฒน์นมงคลสมบูรณ์คนผ ล, ผ ล, ผ ล, ผ ล, ผลจงมีเด่บรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านทุกท่านทุกคนสวัสดี